เงินก่อนเลยเราไปทําสัญญากันเลยนะว่าไอแมว่าพัองเปอเซ็ะไรก็ว่ากันคือคือมันแล้วถ้าเผื่อภายในเท่าไหร่ไอคืนไม่ได้จริงเนี่ยให้คืนเป็นหุ้นหุ้นบริษัทอเองเนี้ยอันนี้มาถึงออฟเฟอร์เลยเหรอคะหรือว่าทําอื่นก่อนคือคือคือไอที่คุยก็คุยไงคะแต่ว่าอันนี้คือจุดที่เรารู้สึกดีไมยถึงว่าเขาเสนอตัวต้องทําให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยเกี่ยวกับอื่นกันไม่รู้ว่ากันหรือว่าประเด็นที่ รอให้มาเนี่ยก็เรื่องนี้นะคะแล้วก็พอเขาเสนออย่างนี้ปุ๊บเราเราดีเลยเราคลายเลยเหมือนมีที่พึ่งละมีที่พึ่งแล้วแล้วเห็นว่าบอกว่าลูกชายก็โอเคนี่นาลูกชายเรานะคะเห็นว่ามีลูกสาวเจอแนะนําเลค่ะเออนิดนึงค่ะพี่พี่ลดยังขอต่อนิดนึงค่ะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่คุณหญิงอ้อยทําได้ดีนอกจากที่เสนอตัวมาสักครู่แล้วก็เขาก็บอกว่าจะดูแลให้อนะฮะเรื่องจากเราเคยทําธุรกิจกันมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ก็ก็วางใจแล้วก็บอกว่า ถ้ามีอะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยไม่เป็นไรหรอกลูกชายก็โตแล้วมีนาก็ บ, บอกพออยู่ปีสามปีสอะไรงี้นะคะก็ก็อาจะอยู่กันไปได้ก็โอเคนะคะเวลาเขาพูดแบบนั้นแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกโอเคไหมคะเวลาไอ้ลูกชายเขาก็โตแล้วช่วยได้เราตัวเองก็พูดเองด้วยอ๋อตัวเองก็รู้สึกอย่างไนคืน อ, อ, <c oughs> ขอขอไป่รายแสองสามปีคิดว่าลูกชายก็หกจะโอเคเพงแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่รอยต่ออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มีคนมาดูตรงระหว่างนี้ให้ได้ ที่เหลือก็ตัวใครตัวมันก็ช่วไม่ได้แล้ว ค, ะค่ะแล้วมีจุดอื่นอีกไหคคะมีไหมคะเขาก็แคร์ดีแล่ะแล้วถ้ามีจุดที่เรารู้สึกแหววปรับเพิ่มอีกนิดหนึ่จะเจ๋งมากเนี่ยค่ะยิ่งของเงินเขาก็ให้เงินเอาเลยนะะ <c oughs> ดีสุดแล้วใช่ไหมคะขอบคุณ ค, ค่ะค <c oughs> ยังจะยกให้ด้วยใช่ม ค, ะ, คะเชิญค่ะคุณแเออจริงเคยนึกอยู่แหละ ว, ว่าถ้า คนที่ไปเยี่ยมไข่คนโคม่าคนใกล้ตายนะแล้วเป็นคนสนิทคนรู้จักเนี่ยมันมันดีเพราะพิเฉเนี่ยเขาเขาสวมบทบาทในชีวิตจริงเลยเอาลูกสาวลูกชายมาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรไอ้ต้นนี่มีลูกชายที่ไอ้ต้นเกตั้งเองว่าว่าว่าเขาก็จะได้มาเหมือนกับว่ามีพี่เราก็เออเบาใจว่าเออตายพี่ที่เคยเกเรเมื่อสมัยวัยรุ่นเนี่ยคงได้สอนนะคะที่เราไม่มีโอกาสสอนอย่างเงี้ยแต่ว่าอันอันที่ทําให้คือ คงบทบาทเพื่อนพิเชถามว่าให้เขาเท่าไหร่บอกให้ร้อยห้าสิบเพราะว่าไม่ว่าเราจะวีนยังไงพิเฉเขามีทางออกให้หมดแต่ที่สําคัญ ค, คือความรักจับถ้าเร า, เราเป็นมากเขาจับสองมือเป็นน้อยก็จับมือเดียวแล้วก็บอกแล้วก็บอกรักบอกรักมารู้ใช่ไหมว่ารักแล้วก็จ้องตากันอะไรเงี้ยนะคะ<อ>แต่ว่าอันที่เกือบทําให้เสียแต่อันที่เกือบทําให้เสียเรื่องนี้ก็คือว่า ตีความผิดเองพอหมอมาถึงบอกว่าจะต้องทำไบอ็อบซี่อะเราก็จะหัวก็ต้องรูปหน้าให้ทําเหมือนว่าเรากุ้มใจแต่ที่จริงจะหัวเราะเพราะว่าไปเข้าใจผิดว่าหมอไม่รู้ว่าเราเป็นโ<อ>รคหัวใจแล้วเวดแอคว่าเราเป็นตวไอเป็นเป็นมะเรง็งเพนก็เลยไม่ได้หนักเ<อ>นื่องจากจะหัว เ, เราะเพนก็เลยไม่กระบิดกระบวนมากตรงนั้นเหมือนกับว่าโรคอะไรก็ได้นึกว่าหมอบอกโรคผิดแล้วหมอเพิ่งมาเฉลยเวทีหลังว่า ว่าหมอมีหน้าที่แค่มาบอกว่าเราหนึ่งโรคแล้วเป็นโรคที่สองแต่เราเนื้อหมอไม่รู้ว่าเราเป็นโรคที่หนึ่งตรงนี้ก็เลยไม่กระปิดกระบวนมากเหมือนกับเออทำก็ทําแต่ว่าในขณะเดียวกันเพื่อนเนี่ยเออบอกว่าเออก่อนที่ทําไบออฟซี่ เ, เราไปไหว้พระที่ไปสร้างที่ของพระจิ๋วเนี่ยที่เชียงรายแล้วบอกเออเออไม่ได้ไปเหมือนการพิเศก็ไม่ได้ไปแต่ว่าคนที่ไปไทยรูปให้ดูว่าว่าคืนพระจันทร์พระจันทร์สว่างๆแล้วรูปพระสวยมากอะไรเงี้ย ก็คือพี่เฉใช้ทุกทฤษฎีมาอย่างกลมกลืนแล้วต้องพูดว่าพี่เฉเก่งมากเลยแนะนําไว้ให้พี่เฉนี่เป็นอาส า, าสมัครเยี่ยมค่ า, าดีมากจริงๆและดีมากใช้ทุกทฤษฎีหมดเลยหมายถึงทุกทฤษฎีอย่างกลมกลืนแล้วก็พอบอกว่าเออหลับเสหลับเซ่ไม่ต้องบอกนะว่าเออ ท, ทําสมาธิยังไงเพราะว่าเราทํากันมาเป็นร้อยครั้งแล้วอะไรเงี้ยอ๋อค่ะไม่ให้ไม่ใช่ให้ยืมอย่างเดียว จะเข้ามาแบกภาระเพราะว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนไข้คนไข้เลย ย, ยัดเยียดบอกว่าก็ไหนๆรับไอ้ต้นเป็นลูกแล้วก็เอามันไปอยู่ห้องเล็กๆที่บ้านแล้วพี่เทเบออิ้งั้นเราขายบ้านใหญ่ไปก็แล้วกันบ้านดีที่เป็นหนี้ก็เป็นทางออกแล้วก็จะได้มีเงินส่งไอ้ต้นไปเมือ ง, งนอกโดยที่ไม่รู้ว่าเราภาระที่สินเราเยอะค่ะค่ะเชิญพี่อุ๋ค่ะ ถ้าจะให้พี่เฉไปเป็นอาสาสมัครก็อเอาพี่สีด้วยนะคะเพราะว่า เ, เราก็เขาเรียกอะไรอแผงลิอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแกก็บอกว่าแต่พี่รูสจักแกก็ถามว่าเป็นนี่แบงค์ไหนเราบอก <c oughs> โอ้ยพี่แบงค์กสิกร น, น่าเลือดจะตาย <c oughs> <c oughs> แ, ตแกก็บอกเอ้ยพี่รู้จักคนนะแกก็โอ้โหเก่งมากเลยนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะมาไม้ไหนเนี่ยแกก็ ได้หมดเลยแกก็บอกว่าแกจะพาไปคุยแกไม่ให้ยืมนะตอนแรก <laughs> <laughs> แกจะพาไปคุยปะนอมนี่ดูสิ <laughs> ไอเราก็พยายามแะจะยืมเงินแกก็จะไปประนอมอย่างเดียวเลย <laughs> เสร็จแล้วพอในที่สุดเนี่ยอย่างนงั้นอย่างนี้นะคะแกก็แต่ที่พี่สีเก่งมากเนี่ยก็คือไม่สอนเลย <laughs> คือไม่คือทฤษฎีแม่นยำมากคือไม่สอนและไม่ทาใหเรารู้สึก เขาเรียกอะไรอ่ะจนแต้มันนะคะแกก็จะไม่มีคําว่าอดทนไม่มีปล่อยวางไม่มีอะไรเลยนะคะ mm hmm. แกทําตรงนี้ได้ดีมากแต่ไอตอนเรื่องยืมเงินเนี่ยแกนะคะทีนี้ที่มันมันทำให้เราซุดลงไปอีกก็คือว่าพอหลังจากที่ในที่สุดแล้วเราก็ต้องทําให้แกรู้ว่าพี่เราดิ้นไปดิ้นมาหายใจไม่ออกและที่สําคัญนะคะแกเข้ามาถึงแกจะสวมบทบาทผู้หญิงหรือผู้ชายนะ <laughs> <laughs> เราก็ขา เราก็เลยต้องหลับตาพูเล่นละครตลอดไม่สามารถลืมตานะคะต้องเป็นคนไข้โล้หัวใจที่กำลังจะเป็นถูกตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยเราก็หลับตาเล่นกยูตลอดแกก็บีบแกก็นวดเสร็จพอถึงมาจุดที่เราเอาว่าจะต้องยืมให้ได้เพราะแกจะพาไปประนอมนี่ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้จาละพัฒให้เราไปขายหุ้นก็มีนะ <c oughs> เราก็นอนพะงาบพะงาบเสร็จแล้วในที่สุดบอกว่านี่ฮะ เรก็เคยทําธุรกิจกันมาต้องยืมเงินพี่ อ, อ๋อได้ <laughs> <laughs> พอบอกที่แกจะให้ยืมแกก็เอ้เราก็ตกใจทีนี้ยังไงต่อดี <laughs> เพราะว่ายังไม่หมดเวลาทําไมให้ยืมง่าย <laughs> เสร็จแล้วเราก็บอกเนี่ย พ, พี่พี่ว่าก็มันก็ไม่นานนี่ <laughs> นะคะ <laughs> เราก็เลยบอกแกบอกว่าแต่ตอนแรกแกได้อย่างนี้เลยนะเราก็ุยดีใจ พี่แต่ว่ามันนานหลายเหรอถ <laughs> แกรู้แกรู้ว่านา น, านหลายเดือนแกก็เริ่มเหลอ <laughs> เอาอย่างนี้ละกันนะคะแล้วเราก็รีบบอกว่าความที่เราก็รู้สึกว่าไม่เคยยืมเงินใครพี่สีก็ชื่อมาเป็นหุน้นเรียกพี่สีเลยนะคะก็เอามาก็ขายหุ้นให้พี่สีนั่นแหละ เ, เออใช่มาแล้วเสร็จแล้วจากนั้นนะคะแกก็บอกว่า อย่างนี้ละกันเราก็ยังไงพี่จะมาขัดตาทับให้นะคะคือแกจะแบ่งรับแบ่งซู้ตลอดเลยนะคะคนไขน้หายใจก็ไม่ออกก็ต้องเอ้ทำยังไงดีลาดับก็คือพี่จะไปขัดดอกไข่<ห>ก่อนแล้วต่อๆๆๆแล้วตอนหลังเนี่ยพี่ก็บอกว่าเออหรือเราจะเอาหุ้นไปขายอันนี้อุ้มก็บอกว่าเออพี่สีเอาไปไหมพี่สีก็บอกว่าได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหรือเมื่อไหร่เราจะใช่แต่ที่เด็ดขาดมากเลยเนี่ยพออุ้มบอกแกว่าพี่สีมนนันไม่ใช่ว่าเป็นสองสาเดือนตอนตอนแรกแกบอกจะให้ยืมเดือนต่อเดือนนะ <c oughs> <c oughs> เราก็ซุดลงไปอีกนะไอตอนที่ได้เนี่ยแบบมั่นคงจากนั้นเนี่ยแกก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันอุม้มแกจะเอาฝ่ายบัญชีของแกมาคุยกับฝ่ายบัญชีของอุม้ม <c oughs> ค่ะญญพี่พี่ผมนิดนึงค่ะคื อ, อเรื่องเรื่องธุรกิจเนี่ยเรารู้สึกถึงที่สุดเราเราสามารถที่จะกู้ยืมเงินตรงนี้เร า, เราคลายเลยไหมคะเออคลายแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขพยักขย่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> คือคืออย่างนี้คือความที่ท่านบอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยยืมเงินใครเราก็สวมบทนี้อย่างเหนียวแน่นมากเลยที่จะยืมแต่ฉันก็ยังอยากจะมีศักดิ์ศรีในฐานะหุ้นส่วนเก่าเนี่ยแ <c oughs> บบว่าก็เป็นคนออฟเฟอร์ว่าพีศ่ศรี เอาชื่อมาใส่ในหุ้นนาคือกลัวแกไม่ให้ยืมไงเพราะว่าแกเริ่มเอาฝ่ายบัญชีมาคุยอย่างเงี้ยค่ ะ, คะ แ, ตแต่จุดก็คือว่าตอนที่เล่นเนี่ยมันมีความยากตรงเนี้ยตรงที่โอ้โหโอ้โลมกันมาตั้งนานอยู่ๆแกก็บอกว่าให้ยืมได้อย่างเงี้ยพอได้ปั๊บเนี่ยมันเริ่มมีรายละเอียดของการให้ยืมอ่านะคะก็เลยไปคุยกันรายละเอียดตรงนี้แล้วจบยังไงคะจบก็ในที่สุดก็เราจะตีราคาหุ้น ตีราคาหุ้นเรียกฝ่ายบัญชีมาตีราคาหุ้นนะนะแล้วยังแบบว่าแล้วไปไปมาๆแกก็เริ่มเสียงอ่อยหรือว่าเราเดือนต่อเดือนอะไรสักอย่างคือชั่งใจเลยใช่ไหมค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณพี่อุ๋มค่ะทีนี้มีผู้ป่วยคนไหนไหมคะที่รู้สึกว่ามันหูยังคาใจอยู่เลยอมันยังไม่โอเคมีไหมคะ ค่คุณหญิงหน่อยค่ะคุณหญิงหน่อยก่อนแล้วกันค่ะค่ะเชิญคุณหญิงหน่อยค่ะต้องยอมรับว่า useless เพราะว่าคนไข้คนนี้แก hysterical นะคะและฉีก็ร้องกรีดกรีดกรีดตลอดเวลา เขาก็ไม่ครบไม่ได้เลยครับคนไข้แบบนี้ค่ะพูดอยู่ได้คำเดียวบอกให้รักษาตัวให้รักษาตัวฉันก็ตะโกนกรี๊ดกรีดบอกรักษาได้ยังไงรักษาได้ยังไงมันมีอุปสรรคมากมายที่จะหยุดเนี่ยนะแล้วก็ไอ้หมอบ้านเนี่ยก็เข้ามาบอกเรื่องนี้อีกไอ้นี่ก็ไม่ได้ปลอบเลย <c oughs> แล้วเขาก็ปล่อยให้ฉันกรีดกรีดไป ทีแรกเขาก็ออฟเฟอร์เขาบอกว่าจะมาช่วยดูแลโรงงานพลาสติกให้นะ <Okay. S 1> ฉันก็บอกว่า <Okay. S 1> ฉันไม่เอาเธอเ <Okay. S 1> มืาอเคยเป็นพาร์ทเนอร์กันแก่แล้ว <Okay. S 1> แล้วก็รู้ <laughs> ทำงานไม่ได้เรื่อง <laughs> <laughs> แล้วเขาบอกว่าให้เอาลูกชายมาช่วยฉันบอกลูกชายช่วยไม่ได้ไปเอาขาดฉันเรื่องมันเหมือนเด็กๆอ้อ <laughs> เขาก็ไม่มีทาง <c oughs> เขาก็ไม่มีทางแก้ให้ผลสุดท้ายฉันก็เลยบอกบอกว่ามีอย่างเดียวที่อาจจะช่วยได้เรื่องเงินห้าล้านเท่า น, นั้นอะ่ะห้าล้านไม่ไม่แกับเมียไปเอาทรัพย์แกนอออกมาแก็นาคารแล้วไม่ให้ดอกเบีย พี่แกบอกต้องคิดดูก่อน <laughs> <laughs> ฉันก็เลยดิ้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปว่าอยากตายอยากตายอยากตายไม่ใช่ไห <laughs> ตรงนี้ก็คือสุดท้ายก็คือยังยังยังไม่วางเลยเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่แกก็ไม่เห็นปลอบอะไรเลยค่ะ สมมุตินะคะคุณยิงหน่อยคะ่ะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปได้เนี่ยช่วงต้นที่เรากำลังร้องกรีดกรีดอดโ อ, อยอยู่เนี่ยแล้วเขาเข้ามาเนี่ยอยาให้เขาทำอะไร ฉันฉันเป็นคนไข้ที่เลวมากแล้วก็จะยุดที่ท่านบอกว่าเป็นเฟสของดีนัยแล้วก็ดีนัยแล้วก็ประท้วงนั่นนะะแล้วคิดว่าจะทำยังไงให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะถ้าอยู่ในสภาวะแบบนี้ ไม่แค่ตัวตัวคุณหญิงตัวตัวคุณหญิงเองอะค่ะคิดว่าอยากให้คนอื่นที่เขามาเยี่ยมเราเนี่ยทำอะไรกับเราแล้วเรารู้สึกจะรู้สึกดีขึ้นไมม่ๆนันเปนันสุดท้ายใช่ไมนั่นเปนันสุดท้ายรู้แสดงความเส้นอบเส้นใจมาที่ต้องพักงานก็หรืออยงนี้ก็ได้ครับถ้าเกิด ท่านอื่นนะครับถ้าถ้าเป็นแบบอยู่ในฐานะแบบคุณหญิงหน่อยเป็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ครับรู้สึกยยแย่ๆอย่างนี้แล้วครับถ้าเป็นเราเป็นท่านเนี่ยอยากได้แบบไหนครับเวลาคนมาเยี่ยมพูดยังไงดีหรือทำอะไรดี i, ที่ทาให้สุดดีขึ้นก็นนได้ครับ สวยเยอ่ะตอนนี้เอเออย่างนี้อางี้มีใครคิดว่าปล่อยนิ่งนิ่งให้เขาอารวาดไปช่วยยกมือหน่อยค่ะอ๋อเยอะนะคะแล้วมีใครคิดว่าน่าจะทำอะไรมากกว่านี้อันนี้สมมติเป็นตัวเองใช่ไหมคิดว่าบางครั้งเนี่ยจังหวะนี้บางทีโดนโดนโดนโดนฮุกโดนดุก็จะดีออ ทำยังไงคะท่านจิ๋วก็ดุก็บางทีก็บอกว่าอ้าวเหมือนกับว่าฮะนิ่งก่อนได้มอะไรอย่างเงี้ยเออใจเย็นหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทีก็คงจะไม่ยอมหรือว่าใครดูก็คงลกลับเลยค่ะไม่หรอถ้าถ้าท่านจิ๋วบอกว่าให้ดุเราบ้างเนี่ยคุณหญงหน่อยจะคามดาวไหมครับหรือว่าจะยิ่งต้านแรงขึ้นครับ คือแต่แต่มันมีวิธีดุนะไม่ใช่ว่าดูแล้วดูดูเสร็จแล้วมีกระบวนการต่อจากกันดูไม่ใช่ว่าดูแล้วก็แบบว่าทำยังไงนะคะท่านจือ้อต้องทิ้งฟางเอาไปจนหมดนิดเดินะคะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอาแลเอาแล้วเอาล้วนะไปแล้วนะเออแล้วก็พรุ่งนี้จะมาใหม่แต่ถ้าพอพรุ่งนี้ยังอย่างนี้อีกท่านก็ไม่รู้จะทําังไงกับเธอนะมะลืนนี้อาจจะมาไม่ได้ แต่ถ้าแบบวถ้าแบบก็ไ <stealing> ม่คุย <quoi> ค่ะเดี๋ยวอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะคะท่านจิ๋วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่คิดว่าถ้าจะช่วยตรงนี้ ค่ะเอ่อถ้าเผื่อเป็นเฉยนะคะถ้าเผื่อเป็นเฉยนะคะเออเฉยจะปล่อยให้พี่หน่อยเนี่ยวีมไปสักพักให้ให้เหนื่อยหน่อยนะฮะแล้วก็จะฟังอย่างอย่างลึกซึ้งแต่ระหว่างที่ฟังเนี่ย จะไอ้ภาษากายฉิเนี่จะแสดงความรักอย่างลึกซึ้งเลยจะพี่หน่อยนะคะ <c oughs> คือรักแล้วก็เห็นใจนะคะสําหรับตอนแรกนะคะ <c oughs> พอตะวินไปสักพักก็เลยจะผสมบทบาทแล้ว <c oughs> ว่าเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วเราเป็นเพื่อนรักกันเราทําโรงงานาพลาสติกมาด้วยกันเนี่ย <c oughs> ทําไมฉันจะไม่รู้ว่าเธอในคิดยังไงเมืเธอเธเธอก็รักฉันเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเเธอไว้ใจฉันพี่ป่า นี่จะมาไม้นั้นค่ะนะะแล้วก็คงจะต้องใช้อันนั้นเข้าไปแก้สิ่งที่พี่หน่อยจะวิ่งที่มานะคะค่ะมีใครมีวิธีอื่นอีมั้ยคะมีไหมค ะ, มมคะโอเคถ้าไม่มีนี่จะมาเป็นเคสพี่พี่นา น, นะคะค่ ะ, ะคุณดวงแก้วมาถึงก็ยิ้มนะะพูดกันตั้งนอน ไม่ยอมรับปากเรื่องเงินเลยจนจบเลยก็แบบเราก็แบบคุณดวงแก้วคุณต้องช่วยนะเป็นนี่เป็นคนสุดท้ายแนละ้ะไอ้ความหวังสุดท้ายคุณดวงแก้วก็ค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกคนอื่นมาช่วยฟังดูอะไรอย่างเนี้ยก็รู้สึกว่าผิดหวังว่าทายจริงอันนี้นะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับเราเนี่ยแล้วเขายังไม่รับปากเลยเราก็พยายามบอกแล้วนะลูกเรายังเล็กอยู่แล้วเราก็จะปล่อยลูกด้วยนะคะ คือยี่สิบก็ยังไม่อยากให้รับรู้ด้วยซ้ำคุณดวงแก้วบอกเดี๋ยวลูกมาฟังว่าแม่จะป่วยบอกอุ้ยไม่ได้หรอกลูกเรามาเรียนหนังสือเดี๋ยวพอมันฟังแล้วเดี๋ยวมันไม่มีกําลังใจเรียนอะไรอย่างเนี้เนี่ยนะถ้าเผื่บ้านโรงงานโดนยึดนะบ้านก็ไม่มีอยู่ลูกก็จะไม่ได้เรียนให้จบอะไรแบบเนี้ยคุณดวงแก้วก็จะพยายามบอกว่าโอ้ลูกก็ถ้าทางก็เจอเขาแล้วเขาก็ดีนะเขาก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกก็ยังยังรู้สึกว่าไม่ค่อยคลายใจเท่าไหร่ ก็เลยก็พยายามเตือมากพอคุณดวงแก้วไม่รับปากเนี่ยแล้วก็ดึงไม้ดึงมืออะไรพอยิ่งหมอมาบอกอนี้คุณดวงแก้วอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้ไอเราก็พยายามบอกวี่ลุงป้านนะอาเราเจอชิ้นเนื้อเป็นหมดทุกคนอะ่ะไม่มีใคร <c oughs> ไม่เป็นทุกคนยังงั้นต้องแย่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณดงแก้วก็ใจแข็งสุดฤทธิ์จบมาคือไม่ได้จัตังเลย <c oughs> ไม่มีคําสัญญาอะไรเลย มีอยู่จบที่ดีอยู่อย่างเดียวที่นั่นก็คือบอกว่าเออแต่เธอยังไงเราก็ไม่ทิ้งกันอะไรแค่นั้นอเออก็ยังคลายใจหน่อยแต่ว่าภาษากายของคุณดวงแก้วกับภาษาตาเนี่ยโอเคมากๆจริงแต่ภาษาพูดเนี่ ย, <c oughs> ยถามพี่นา น, นิดหนึ่ง <c oughs> ถามพิ่นานิดหนึ่งค่ะว่ามีอยู่สองช่วงคือช่วงที่เรื่องเรื่องธุรกิจเนี่ยจะยืมจะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าตรงนี้เนี่ย อยากได้อะไรแล้วพอช่วงที่หมอมาบอกว่าเราต้องไปตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นแน่ๆเนี่ยเราอยากได้รับการ support จากคุณดวงแก้วจริงคออือเวลาที่สมมติว่าเรื่องธุรกิจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมันไม่มีทางออกแล้วเนี่ยถ้าเปเพื่อนที่เขาเรู้จักธุรกิจนี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอยากให้เขาสัญญาอะไรที่มากกว่านั้นหน่อยนึงอ่ะที่บอกว่าเออ จะช่วยจัดการยังไงสักอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งซึ่งก็นึกไม่ออกเหมือนกันโทษตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเออเออมันมันแบบมันกระทันหันทีเดียวที่ว่าเราจะเฮ้ยถ้าเกิดว่าปไปตรวจแล้วเป็นอะไรเนี่ยจะทํายังไงหล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือหมายความว่าอาจจะยังไม่ต้องมีคําตอบแบบชัดเจนแต่ว่าขอให้มันมีรู่ทางว่าจะไปยังไงเรื่องนี้ใช่ไหมอ่าที่ที่มันเห็นเป็นรูปธรรมหน่อยหนึ่งว่าเอออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันไม่ทังคลื่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออ แต่พอเรื่องอะไรนะเรื่องที่พอเรารู้ต้องไปตรวจชิ้นเนื้ออ๋อไปแล้วแล้วเราจะรู้สึกยังไงเขามีความรู้สึกว่าความไม่ไม่มั่นคงในชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่มเห็นชัดละแล้วก็ประกอบด้วยไอ้ความเป็นห่วงลูกแล้วก็ห่วงธุรกิจแล้วก็อนาคตที่จะมีถัดไปเพราะว่าเขาบอกเออลูกก็โตแล้วเลยไอ้เราก็พยายามบอกว่าลูกเออมันเรียนกว่ามันจะเรียนจบปริญญาโทกว่ามันจะมาฝึกงาน แล้วมีความสามารถพอจะบริหารโรงงานเป็นเนี่ยต้องเกือบอีก10ปีเพราะว่าจบก็บประมาณสมมุติจบโทอะไรเงี้ย 24, 25, ยี25้าเงี้ยฝึกงานอีก3ามสี่ปีก็ยังยังมาบริหารโรงงานไม่เป็นเลยก็แบบมันไอ้ความ ร, าารู้สึกแบบนั้นมันยังไม่ใช่มันมันมันไม่มีคําตอบให้แต่ว่าโอเคคุณดวงแก้วเขาพยายามแบบเออเดี๋ยวพาเพื่อนมาช่วยกันคิดนะเดี๋ยวพาลูกมาช่วยกันคิดแต่ก็ยังรู้สึกไอ้ความล้นหลอนเนี่ยนะมัน มันหนักอยู่เพราะว่าการที่คุณหมอเดินมาไม่อยอมสบตาเท่าไหร่เลยแล้วก็ปกเดีจะตรวจิ้นเนื้อแล้วนะแล้วรีบไปเลยเนี่ยมันก็กช็อกเหมือนกันน่ะว่าเอาตายจริงไม่เห็นอธิบายไม่เห็นบอกเราเลยว่าเอออาจจะไม่เป็นไรหรอกนะยังไงไปตรวจเพื่อเพื่อความมั่นใจอะไรๆแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าไ อ, ไอ้การที่คุณหมอมาบอกแทบเดี๋ยวแล้วไปเลยเนี่ยแล้วแล้วเราไอ้ความไม่มั่นคงที่มีความรู้สึกว่า มันมีโอกาสเป็นได้เยอะเพราะว่าเ<ม>นื่องจากไม่มีคำอธิบายเนี่ย<ม>ก็มีความรู้สึกว่าเราเออไอสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยมันยิ่งถาทมหนักเข้าไปใหญ่มันอีกสองสาเท่าอะ่ะความกังวลที่มีอยู<ฮ>แ่แต่แต่แต่อย่างน้อยที่สุดก็รู้สึกว่าเออเพื่อนก็มีความจริงใจตร ง, <ม> ง, งภาษาตาภาษากายะอะไรถ้าสมมติว่าเออเราย้อนกลับไปนะทำใหมเรื่องนี้เนี่ยแล้วช่วงช่วงที่เรารู้สึกว่าโอ้มัน มันเป็นแน่ๆเลยครับคล้องใจจะไปยังไงต่อนเนี่ยเราอยากให้เพื่อนเนี่ยเขาสปอร์ตเราแบบไหนคือคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าถ้ามันเรื่องของเงินเรื่องของของอะไรพวกเนี่ยถ้าไม่แก้ก่อนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรื่องธรรมะมันจะมายากอ่ะหน่อยหนึ่ง เ, เพราะว่าปมปมใหญ่มันเหมือนปมเพราะว่าเราต้องรับภาระทั้งลูกทั้งธุรกิจเนี่ยคนเดียวแล้วเราก็มองเห็ น, นว่าออไอความที่ว่า ลุงป้าณอาในบทอนะ<ช>ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเนี่ยแล้วแล้เขาก็เขาก็เป็นหนักอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยเราเราต้องเป็นด้วยแน่ๆเลยเนี่ยแล้วถ้าเผื่อว่าไม่แก้ตรงนั้นก่อนเนี่ยไม่ไม่ไม่มาช่วยเราว่าแก้เรื่องเงินทองอเราก็จะเืะ่เขาเรื่อเงินอาจจะแบบช่วยได้บ้างนิดหน่อยหรือมันทําไม่ได้จริงเนี่ยการช่วยให้คลี่คลายเรื่องธุรกิจเนี่ยจะคลี่คลายยังไงครับเออ ก็ก็จริงๆคืออันนั้นมันคงต้องเป็นตอนที่สองเพราะเขาบอกเขาจะพาเพื่อนคนอื่นมาช่วยคิดแต่ว่าตอนแต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็รับปากอะไรบางอย่างที่เราก็รู้สึกว่าเออมันคงต้องทำอะไรต่อ น, นิดหน่อยแต่ว่าไอ้ที่จะคลายความกังวลเลยคงยากเหมือนกันเพราะว่าในภาระที่หนักเนี่ยออคุณดวงแก้วเขาบอกเขาพยายามพูดเรื่องธรรมะแต่ไม่รู้จะสอดแทรกตอนไหนเพราะว่าไอ้ความร้อนของเราที่ว่าอุ้ย ลูกก็ยังยังไม่มีความสามารถจะจะรับธุรกิจนี่สินเขาพอกทุนอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าได้คําตอบชัดๆแล้วพอคลายความกังวลใจแล้วมันถึงจะไปพูดเรื่องอื่นได้ค่ะก็คือว่าต้องแกะทีละเปล่าก่อนนะคะถ้าปเปล่าแล้ยังไม่ผ่านเนี่ยโอ้ยเรื่องอื่นมันก็ไปยากใช่ไหมค ะ, ค, ะคุณหนอนนี่ดีค่ะเออ คือโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าไม่แฝกับคนเพื่อนนะ ค, ะคืออยู่ดีๆนี่จะเอาเพื่อนมาจะให้เขาโยนลูกให้เขาโยนลงงานให้เขาเนี่ยเออมันก็ไม่ไม่เคยดีเท่าไหร่แต่จริงๆคิดว่าถ้าเขาไม่ให้อาจจะดีสําหรับลูกก็ได้เพราะไอ้การล้มละลายนี่เราเห็นเยอะไปแล้วอาจจะถ้าลูกเราไม่โตเนี่ยไอ้การลุมเนี่ยอาจจะทําให้ลูกโตขึ้นก็นนได้นะฮะจะถามส่นตัวจะถามว่าสมมติเออแต่หมอหมอพรเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนซีเนี่ยมาเนี่ย ก็ก็ประทับใจเขามากเพราะว่าเขาไม่ต้องพูดมากเขาค่อยค่อยพูดแล้วเสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงที่คนสื่อสารพอฟังแล้วก็เอาไปคิดแล้วตอบทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะคะก็ไม่มีการหัวเราะไม่มีการยิ้มอะไรอย่างเงี้ยยังบอกว่าทํำไมไม่ยิ้มให้ชนิดหนึ่งเขาถึงยิ้มให้ชนิดนึ่งคื อ, ค, อคือมี <laughs> แล้วก็ไม่เคยพูดถึงว่าผู้ขายหุ้นหรือขายอะไรไม่มี ก, ก็ก็เขาก็บอกว่า เจะดูให้ละกันนะคะเขาไม่ได้พูดคือไม่เคยพูดถึงเงินนะคะเขาก็อบอกว่าจะดูเป็นเพื่อนมานานแล้วก็เ อ, อจะดูแลให้ลูกก็ลูกก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็รู้นิสัยกันก็จะดูให้ถูกจะรับปากดูให้คือฟังแค่นี้เองเราก็พอใจแล้วเพราะว่าการการคนการโพสคนมารับปากเยอะๆมันไม่ถูก นะะบางคน<ช>ราววาใจได้เนี่ยก็พูดแค่นี้เนี่ยเราก็เราก็ควรจะตายแฮปปี้ท่าเป็นการน ะ, ะ <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะ ค, ค่ะทะนี้ขอขยับมาที่เพื่อนบ้างค่ะนะคะคนที่เล่นเป็นเพื่อนนะคะมีตรงไหนที่เป็นอุปสรรคยากง่ายตรงไหนยังไงคะขอช่วยสัก ส, ะ ส, ะสองสาท่านค่ะค่ะอ่ากัคุณหมอพรก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาคุณนิคพอดีอค่ะค่ะประเด็น่ะนะคะว่าประเด็นที่เพื่อน หนักใจนะฮะก็คือนที่หนึ่งประเด็นของหนี้ที่เกิดขึ้นในธุรกิจนะฮะประเด็นที่สองคือเรื่องลูกประเด็นที่สามคือเรื่องความเจ็บป่วยนะฮะคุณหมอทำยังไงถึงแยกได้ทีละเป็นประเด็นประเด็นอย่างนี้ตอนนั้นก็เวลาพูดคุยอะฮะพูดคุยอะนะฮะแล้วก็ถามเขาอะฮะว่าเป็นไงตอนนี้หนักใจ ที่มันหนักอยู่เนี่ยคืออะไรบ้าง อ, อถามเลยตอนนี้<า>หนักใ จ, กใจเรื่องอะไรบ้างาาหนักใจอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็จะออกมาแยกออกมาเป็นสามอันก็เลยบอกเขาว่าอันแรกเนี่ยเรื่องของธุรกิจเนี่ยธนาคารเขาไม่ใช่ปล่อยกู้ง่ายๆหรอกถ้าเขาปล่อยกู้แสดงว่าธุรกิจเราต้องไปได้ออก็เรื่องของเรื่องของพลาสติกอะเราก็รู้เรื่องกันอยู่แล้วตัวหมอเองก็มีความชานาญ เพราะฉะนั้นขอให้ปล่อยเรื่องนี้เลยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเทคแคร์ให้แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ลูกชายอะว่าขนา น, นี้เขายังไม่พร้อมคือไม่ได้คิดจะเข้ามาแบกรับแต่ว่าจะจะช่วยคือจะเข้ามาดูแลบริหารจัดการคือถามเขาว่าว่าถ้าเขาไม่ป่วยเนี่ยเขาเขาคิดว่าเขาไปรอดไหมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เอามาเป็นหลักก็คือว่าธนาคารเขาไม่ไม่หมูหรอกถ้าเขาปล่อยแสดงว่ามันต้องไปได้อะ นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมารันให้อั น, อ น, อนแรกนะฮะอันที่สองก็เรื่องของลูกก็คิดว่าไม่ไม่ได้เป็นปัญหาหนักหนาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็เห็นเขาตั้งแต่เด็กะนะฮะก็เทคแคร์กันได้ก็ให้เขาปล่อยเหมือนกันนะฮะแต่พี่นีเขาพูดถึงเขาเองแหละเาเนเจอร์ก็คือโอเคละจบละนะฮะทีนี้เรื่องเรื่องโรคภัยสิฮะเรื่องโรคภัยที่ที่ตัวเองตอนนั้นรู้สึกเลยอะ่ะ วันนี้คือนี่คือปัญหาหที่ตัวเราจะต้องเข้ามาร่วมรับรู้กับเขานะฮะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน <ฮะ S 2> ก็เลยบอกเอาเรามาฟังเทปอะไรกันไหมนะฮะเรารู้ไปด้วยกันเรียนไปด้วยกันอยู่ๆเราเราเสนออย่างนั้นเลยหรือว่าเราจับเซนอะไรบางอย่างก็คือคุยกันแล้วละว่าปัญหาตกลงว่ามีสามข้อนะฮะเรื่องความ จ่ป่วยต่างๆเนี่ยก็พูดง่ายๆคือแนะนําออกมาว่ามันเราต้องกล้าหาญตอนนี้นะฮะและขณะเดียวกันกล้าแล้วเราก็ต้องปล่อยกล้าหาญแล้วก็ปล่อยว่าแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยเราไปด้วยกันนะอืมให้ความะะมั่นใจเขาว่าเราจะไปด้วยกันเราอยู่ด้วยกั น, กนเราเรียนด้วยกันอืมันเป็นอะไรซึ่งเราต้องไปด้วยกันออ่ะืมนะะนี่ก็จบ พี่เฉยข้างหลังค่ะเมื่อกี้มีทางนี้ด้วยนะคะค่ะเออความจริงก่อนมาเนี่ยนะคะตอนประชุมกันเนี้ยกลัวคุณแอลมากเลยเพราะว่ารู้อะไรรู้ไหมเพราะว่าแอลนี่คนฉลาดมากเลยแล้วก็จะรู้วิธีวีนนะคะก็เลยยึดแต่ที่พี่หน่อยไม่ได้พี่หน่อยวินมากกว่าแลก็ยึดยึดเอโจทย์เนี่ยเป็นเครื่องสําคัญนี่แอลเนี่ยนะคะหลังจากเราคลายเรื่อง คือคิดว่านะที่เขาเรื่องธุรกิจเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยในเมื่อเราเป็นหุ้นส่วนกันอยู่แล้วนี่ตามโจทย์เราเป็นหุ้นส่วนกัน <Okay. S 1> เพราะยัง <Okay. S 1> เคยเป็นหรอเคยเป็นอ่าอ่าก็เคยเป็นนี่ก็เออก็ก็รู้ไงว่าว่าว่าซิเทชันเป็นยังไงเพราะในารที่เราจะเข้าไปรับเนี่ยเอที่จะไปช่วยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ยากเท่าไหร่ก็พูดให้เขาสบายใจขึ้นได้นะคะ แต่ว่าเขามีหนักกันด้ดีค่ะยูดีบอกว่าไปกู้หนี้มาสร้างบ้านซึ่งไม่มีในโจทย์ที่เรารู้นะเพิ่มโจทย์ขึ้นมาใช่ไ่ะอันนี้เป็นโจทย์ใหม่นะคะก็ต้องมีอยู่ด้วยค่ะมีไหมมีมีในโจทย์ใช่ไหมอ่าโอเคนะคือคือคือไอ้เรื่องบ้านนี้ก็เพื่อนไม่รู้มาก่อนเพื่อนไม่รู้ว่าเขามีโจทย์อันนี้ใช่ไหมพะรู้ก็คุมกับหมักว่าไอ้ทำยังไงจะแก้อันนี้คุยไปคุยมาก็บอก ก็เพอิญเรื่องเนี่ยเราสารมาจนกระทั่งว่าครอบครัวเราเนี่ยสนิทกันเหลือเกินมีลูกคนโตสองคนที่บ้านการที่จะเอาน้องต้นมาเป็นน้องคนสุดท้ายทองเนี่ยมันง่ายก็เลยเก็เลยบอกว่าขายบ้านขายบ้านเอาเงินเนี่ยนะส่งต้นไปเมืองนอกเพราว่าเขาบอกอายุยี่สเนี่ยเรีนนเยนสือไม่จบอ่ะมันเกเรมากนึกออกไหมเจ้าต้นเนี่ยนะก็บอกว่าโอเคก็ขายบ้านใชแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะไอ้อที่ลงทุนไปแล้วเนี่ย ก็เอาเอาเอาเขาผอนส่งอยู่ไงก็เลยบอกว่าจะให้เอาไอ้อออ น, นี่เราเราเราเราเราเราแต่งเรื่องขึ้นมาเองภาษาเราเรื่องใหม่นะในที่สุดก็บอกว่าได้ส่งต้นในเมืองนอกเลยเทวนี้แล้วกลับมาก็มีกลับมาแล้วก็ให้พี่ชายกับพี่สาวซึ่งเป็นลูกเราเนี่ยซึ่งรู้จักต้นดีเนี่ยดูแลต่อไปอะไรเนี่ยนะ ก, ก็สรุปแล้วรู้สึกว่าไอ้อันที่หนักที่สุดที่อัน expect นึกเนี่ย ก็ตรงที่ว่าเรื่องบ้านซึ่งเราไม่รู้ในโจทย์แล้วเขามีนี่นะอันนั้นต้องใช้หัวคิดคิดว่าทำยังไงจะมาก็คือคล้ายๆกับหมอพรตงที่ว่าแก้ไปทีละเปลาะแก้ทีละเปลาทีเรื่องดูทีละเรื่องค่ะค่ะโอเคค่ะมาที่พี่ค่ะมีมีความยากง่ายในยังไงครับอุปสรรคอะไรที่สําคัญอาจจะไม่ได้มีโอกาสเล่าทั้งหมดนะคะเพราะเวลาเราจํากัดเช่นค่ะก็อุปสรรคก็คือว่าคนคนไข้วีนมาก ไม่มีโอกาสเลยที่จะพูดไม่มีจังหวะ <c oughs> นะคะเข้าไปนะคะคืออย่างว่าก็พยายามที่จะดูจับตัวตแสดงความทางความสัมผัสทางกายแต่ก็ท่านก็เปลี่ยนเป็นท่านสัมผัสเราเพราะฉะนั้นก็เมฆแล้วก็เสนออะไรท่านก็บอกไม่ได้ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะคะก็ชักรู้สึกงงแล้วพอโทรบอมเรื่องเงินยืมมาก็ตกใจ <c oughs> เพราะว่าเอรู้สึกเอ๊เรานี่มัน ม, มีมีในสคริปต์หรือเปล่าทําไมเราไม่รู้เรื่องต้องขอเรียนด้วยเพราะเพราะว่าเป็นครั้งมาคราวนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นยังไม่ค่อยชนานาญเรื่องบทบาท่ะไรในการที่จะแก้ปัญหาถ้าสมมติ <นะ S 1> มีโอกาสทำใหม่นี่อยากจะปรับตรงไหนคะก็คงเ <laughs> ส้นเดียน ะ, ะ, ะเป็นคุณไง <laughs> คือคนไข้จะเปลี่ยนบทบาทก็คือถ้าจะทำใหม่โดยส่วนตัวถ้าเจอคนไข้ธรรมดาก็คิดจะแฮนเดอรได้นะคนไข้คนนี้ขอยอมแพ้่ะจะแฮนเดิลยังไงคะถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นคนไข้คนอื่นซึ่งไม่ใช่คุณหน่อยเนีคะในสถานการณ์เดียวกันก็ให้กลมเห็นลมเห็นใจนะคุดกันแต่ว่าในนี้จะไม่ว่าจะเสนอบอกว่าอ่าลูก เอาเราเรื่องเรามาปรึกษากันนะเราจะต้องมีคนทํางานไปเจอเอรักษาตัวไปก็ต้องมีคนงานก็ต้องมีไม่ได้ไม่มีใครดูเลยแต่คนเดียวหมดเลยคือทุกข้อเสนอที่เราพยายามจะเสนอไปเนี่ยก็บล็อกหมดบอกว่าเป็นไปไม่ได้หมดเลยค่านท่านจะงงอยู่จะทำยังไงต่อไปก็ยังงงงอยู่นะคะค่ะถ้ามีเวลานานขึ้นกว่านี้คิดว่าจะคลี่คลายยังไงคะ อาจจะต้องขอกลับไปคิดดูก่อนอ่าเขาไปตั้งหลักก่อนองนี้ใช่ไหมอ่าโอเคค่ะคอสุดท้ายค่ะคนที่เป็นเพื่อนค่ะเชิญค่ะคุณหญิงอ้อยค่ะพอเอิญโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าคนป่วยคนนี้เข้มแข็งอแล้วก็เราก็เป็นอะไรที่แบบเออมีอะไรคช้ใช้กันคือแบบลุยๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็คุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยบอกเออถ้าเกิดมันเกิดเป็นมันจะต้องตายก็ต้อง นะเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นเตรียมนะเดี๋ยวมันเป็นไรเดียด๋ยวบริษัทเราก็แบบเอามารวมหุ้นกันลูกชายนี่เดี๋ยวเป็นพี่เลี้ยงให้เองคือยินดีรับหมดทุกอย่างเลยอ่าแล้ว<ะ>แล้วก็มันไม่ต้องมีภาษาไกลเยอะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเพอร์ซาิตี้ฮอกก็แบบว่ารีรีแล้วเขาเข้มแข็งอันนี้ง่ายมาเพราะว่าเขาเข้มแข็งคก็ง่ายอันนี้ง่ายสำหรับตัวเองเพราะเขาเพราะคนคนใข้เข้มแข็งถ้าเกิดเจอ แบบนี้สงสัยให่แค่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอสุดท้ายจริงๆคุณเดืองแก้วค่ะเอเรื่องเงินก็ก็ก็โอเคหมดเอามันรวมบริษัทกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อนค่อนข้างจะคิดว่าเราคงไม่สามารถจะให้ยืมเงินให้เงินได้ให้ยืมเงินได้เราก็อยากจะช่วยด้วยวิธีอื่นแต่คนไข้ก็จะพูดอยู่ประเด็นเดียวว่าจะเอาเงินจะเอา คือคือเราเราไม่เราคาดคาดหมายผิดไปว่าเขาหน้าเราน่าจะมาช่วยอย่างอื่นได้มากกว่านั้นใช่ปะเราก็บอกว่าเป็นเพื่อนไม่ทิ้งกันแล้วก็จะหาเพื่อนมาช่วยเพราะเพื่อนเรามีหลายคนอย่างนี้แต่เราไม่ทราบผานะว่าที่เคยทําธุรกิจได้กันมาเนี่ยเราเคยแล้วเลิกกันเนี่เราไม่เราไม่รู้ว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ใช่ไมเราก็ไที่เสนอเข้าไปในอ๋อเหมือนกับว่าเราก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าเอ๊ะ ที่ผ่านมามันมีอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเอออันนี้ก็ก็น่าสนใจก็เลยดึงดึงจังหวะไว้นิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมโ อ, อเคคนที้เล่นเป็นเพื่อนคะ่ะเออเออมีคือคนไหนที่ยากเคยเห็นภ้าสีบอกวุยากมากยากเพราะว่าแกไม่เอาอะไรเลยนะคะไ อ, อ้ผ่าตัดแกก็ไม่เอาด่าว่าหมอเข้าไปสักอีกแล้วก็ดูดเดือดมากเห็นหมอไม่ดีไปหมดแล้วก็จะย้ายโรงพยาบาลจะให้พาออกจากโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลใหม่ จะอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งคือผัดตัดก็ไม่ผ่าเป็นตายไงไม่ผ่าไม่ยอมเชื่อว่าอะไรแต่เสร็จแล้วแล้วถ้าอ่ะนี่ก็เหมือนกันนี่เขาก็บอกเอ็กซาเลผิดอะไรเงี้ยครั้นี้ก็เลยใช้วิทยายทธ์ที่ได้ท่านอาจารย์สอนไว้อ่ะ <S <S คือหนึ่งไม่ไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเราสอนเขา <S <S สองไม่อ่ะอะไรฮะไม่ไม่ทําให้เขารู้สึกผิดหรือว่าได้กว่าเรา กรณีพอมาถึงเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่บอกอะไรไม่แนะนําอะไรคนนักหนาใช้วิธีถามไล่เข้าไปเรื่อยๆว่า mm hmm. แล้วอะไรแล้วจะทำยังไงแล้วก็อะไรเงี้ยกรณี ก, นนก็ที่ถามอีกอันชัดเจนก็คือว่าแล้วมีอะไรที่ติดอยู่ในใจบ้างอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะพูดนีก็เป็นประเด็นเรืองเดียวกันเลยเ ร, เรื่องเจ็บไข้เจ็บไข้ของเขาเนี่ยมันมีอยู่อันเดียวเขายหายใจไม่ค่อยออกนะคะอื่นๆเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็น อันที่สองก็คือว่าแล้วก็กังวลเรื่องอะระยะเวลาของความป่วยอันที่สองก็เรื่องลูกแต่อันที่เธอแรงที่สุดเลยคือเรื่องเงินเงินนี่เธอจะเอาเธอจะมีปัญหามาแล้วเราก็าสังเกตว่าเธอรักษาศักดิ์ศรีเพราะเธอไม่ขอยืมตรงๆนะ <c oughs> เธอจะเธอจะทำให้เรา feel very g u i l t ้ว่าเธอแย่แล้วอะไรแต่ อ, อะไรจะไม่ออกปากขอยืมอะะจนกระทั่งเราก็อัอักไปเรื่องพาไปหา ธนาคารเธอก็ไม่ได้ไที่ป้า<ส>ีคิดว่าตัวเองทำได้ดีที่สุดในในช็อตเมื่อกี้นี่คืออะไรนะป้าสีกับคิดว่าไอ้เรื่องที่ป้าีเสนอว่าในที่สุดเนี่ยก็ตกเอ่อก็บอกเขาบอกว่าโอเคเขาเขาจะออพอเราบอกว่าเออทำไมไม่ขายหุ้นเขาบอกเอาไหมาเอาชื่อเราใสา่หุ้นเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่าไม่เอาก็ขอให เราคล้ายๆตีราคาหุ้นโดยที่ว่าเอาฝ่ายบัญชีของเรากับเขาเนี่ยมาพบกันแล้วก็นั่นเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีตรงนี้ที่สุดเพราะว่ามันเป็นรูปธรรมชัดเจนมีดีเทลด้วยเป็นดีเทลค่ะรู้สึกเขาก็รู้สึกอย่างนั้นว่าว่ามันของจริงนะแล้วมีนนส่วนไหนไหมคะถ้าเกิดมีโอกาสทําใหม่เนี่ยอยากจะปรับอะไรอีกหน่อยหนึ่งคือถ้าถ้าจะทําใหม่เนี่ยก็เสียดายว่าอ๋ก็พยายาม ใช่ได้ว่าเอาธรรมะเข้ามาน้อยไปหน่อยแต่ก็บอกให้เข า, เาสังเกตว่าไอา้ความคิดมันก็แค่นั้นนะนะไอ้ให้ให้รู้สึกที่กายแล้วก็ดูซิว่ามันมันเป็นยังไงไอ้หายใจขัดขัดเนี่ย นะตอนที่ช่วงเข้าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะให้ให้ให้รู้รู้กายอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องคิดช่างหัวมันก่อนอะไรเงี้ยก็ถ้ามีเวลาอาจจะใช้เวลากับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะจะแกวุ่วายเรื่องเงินหรือเกิดโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอประเด็นสุดท้ายจริงๆค่ะเรื่องคุณหมอนะคะเมื่อกี้เป็นบทบาทสมมตินะคะแต่ถามว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราอยากได้หมอแบบไหนคะหมอแบบที่มายิงเปรี้ยงเลยเมื่อกี้หรือว่าเราอยากได้แบบไหนยังไงขอสักสองท่านละกันค่ะ ค่ะค่ะเจอเลยค่ะจริงอยากได้หมอแบบที่คุณโมนิก้าคุยกับคุณเล็กอะ่ะก็บอกเขาคุยแล้วว่าจะค่อยๆบอกแล้วว่าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยเออเพราะปิกอันไหนๆก็จะพาตัดแล้วเราลองสํารวจดูไหมมันคงไม่เป็นอะไรมากเ ข, เขาก็เ่อตั้งใจอย่างนี้แต่โจทย์บอกว่าต้องมาเปลี่ยง แต่พอเขามาเปรี่ยงเราเข้าใจผิดหัวหัวเลาะต้องรูปหน้าทำเป็นเหมือนว่าจะร้ อ, ยอยงไห้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงหัวเราะว่าเฮ้ยเขาไม่รู้เลยว่าเราเป็นโรคหัวใจคือเลยกลายเป็นตีโจทย์ผิดว่าเราเราไม่ได้เป็นสองโรคไงเลยไม่ได้ทำตัวหนักให้พี่เฉสมมติเขาต้องม<บ>อาบอกรอเรื่องเรื่องโรคมะเร็งจริงๆอะคะ่ะอยากให้บอกแบบไหนคะก็อบอกแบบที่เขาบอกคุณเล็กอะ คือต้องบอกว่าเออเป็นหัวใจแล้วอันนี้เจออะไรหน่อยมันเริ่มมีสัญญาณว่าอาจจะต้องไปตรวจอะไรเพิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงั้นย ค, คือว่าถ้ามาเปรี้ยงอย่างเงี่ยมันมันคนไข้ช็อกตายได้ถ้าคนใจอ่อนเนี่ยมันจะช็อกตายได้ค่ะเพราะฉะถ้าอยากเออเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆอยากได้อย่างที่ เ, เขาไปบอกคุณเล็กแต่คุณเล็กบอกไม่ได้โจทย์นี่คือต้องการให้ช็อกคอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่ได้ผิดอะไร เราแต่ทำให้เราตีความผิดเลยไม่กระบิดกระบวนมากค่ะโอเคขออีกท่านนึงค่ะประเด็นเรื่องคุณหมออยากได้แบบไหนคะเชิญค่ะันขึ้นค่ะดันขึ้นค่ ะ, ค ะ, คะเพิดแล้วค่ะตาแล้วที่ที่จิงเมื่อกี้พอได้รับบดก็ก็คัดค้านเลยนะคะว่า หมอจริงๆไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าหมอเนี่ยมีเอติเกตคือคือจะต้องรักษาน้ําใจคนไข้และสิ่งที่ควรจะทําตอนแรกเนี่ยก็ควรจะบอกญอ า, าติคนไข้ก่อนว่าคนไข้เกิดค้นพบว่าอาจจะเป็นโรคนี้นะ <c oughs> แต่เราก็ยังไม่ได้ยืนยันเราจะยืนยันได้ก็โดยเราต้องตัดชิ้นเนื้อมาเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกคนไข้แบบเลี่ยงๆว่า เมื่อการตรวจร่างกายเนี่ยมันต้องตรวจทุกอย่างรวมทั้งก่อนที่จะทําการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเราเราสงสัยตรงนี้เราขอเอาชิ้นเนื้อนี้มาตรวจดูก่อนที่ที่จะทําผ่าตัดอันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเออเราควรจะทํำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคื อ, ค, อคือไม่ควรจะไปบอกคนไข้ตรงๆควรจะปรึกษากับญาติและให้ญาติเขารับรู้และอธิบายด้วยตรงนี้ความจริงในที่ฉันทำแนะนาก็คือ เข้าไปบอกเขาว่าคงจะไม่ใช่มะเร็งแต่ในในตอนนี้ก็ผ่าตัดหัวใจอยู่แล้ว เ, เพืก็เพิ่มมีดหนีชินออกมากไม่ไดอะไรคือเหมือนกับไปเติมซ้ำ <laughs> เลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องจะเปิดสอง 8, ครั้งใช่ไหมแต่คนเล็กก็บอกว่า ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณอ่ะเป็นพึ้นของเขาอ่ะหน้าที่ของคุณก็คือเข้าไปเจ้งเจ้งเถวไลน์นี้เคเนี่ยเจ้งเสร็จแล้วก็ออกไปรีบๆไปโดยส <c oughs> ัมสุดส <c oughs> ุด ท, ท้ายคนที่ใจร้ายนี่คือคุณเล็กใช่ไหมถ้ามันเป็นมาเสร็จแล้วว่าบอกอ้จริงๆก็ต้องเป็นทำบุบฝายแก่นี้ยนะเข้าไปก็มันจริงบอกว่าไม่สนนี่เป็นยักษ์ะค่ะโอเคค่ะคือคือ ไออบทบาทสมมุติอันนี้เนี่ยเราให้ความสําคัญกับคนที่จะฝึกก็คือเพื่อนที่ว่าสมมติเขาได้รับข่าวรลน์แล้วเนี่ยเราจะซัพพอตยังไงต่อแลอ้วยิ่งเขามีเรื่องในใจมีปมมีเรื่องธุรกิจมีเรื่องลูกเรื่องอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเราจะช่วยเขายัางไงเพราะฉะนั้นอันคุณหมอเนี่ยเหมือนกับแค่เป็ น, ปนตัวที่มาทําให้เกิดบทเรียนแค่นั้นเองนะคะไม่ได้หมายความว่าโอ้จริงๆจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าในความจริงก็อาจจะมีบางคนเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็คือเพื่ออยากให้เกิดบทเรียนว่าเอ๊ะถ้าเกิดโจทยย์มันนเป็อ่างี้ เพื่อนก็จะทำ ย, ยังไงนะคะจัดนี่ฟังอาจารย์นะครับว่าทั้งหมดอาจารย์ฟังมาทั้งหมดแล้วมีประเด็นอยากจะถ้ า, าเขาสังเกตหรือว่าเพิ่มเติ ม, มอะไรบางอย่างที่มันคือเรื่องนี้เนี่ยธรรมมาคิดว่าหลายคนเวลาเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยธรรมาคิดว่าอย่างหนึ่งที่ต้องตระหนักคือว่ามันอาจจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เช่นไปเยี่ยมแล้วปรากฏว่าเขามาขอยืมเงินใช่ไหม ซึ่งมันไม่มีในสคริปต์ของคนที่ไปเยี่ยมใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดไปเพื่อที่จะไปปลอบใจเขาเนี่ยบางทีเราได้สคริปต์เราคิดว่าฉันจะไปปลอบใจเขามีอเจนด้าอยู่เนี่ยจะไปพูดธรรมะแค่เนี่ยก็ยต้องหงายผึ่งออกมาเพราะว่าเขามาขอยืมเงินใช่ไหมฮะงั้นใครๆที่มีคิดต ร, ตรงนี้อยู่เนี่ยก็จะไม่สามารถจะ Handle อารมณ์เขาได้นะเพราะว่าเรามีโพลของเราอยู่ซึ่งมันไม่ตรงกับที่่ทีความจริงของเขาประการที่2 บางทีก็ต้องเจออันเอ็กซ์เพกต์จากหมอนะซึ่งมาบอกโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวแล้วก็หมอที่บอกแบบนี้ก็กมีจริงมีพยาบาล ม, มีมีคนไข้คนหนึ่งแกก็ไปหาหมออยู่เรื่อยเลยนี่อันนี้เกิดที่ขึ้นที่ต่างจังหวัดก็ไปหาหมอเทียวไล่เทียวคือไปเนี่ยสุดท้ายวันหนึ่งหมอก็บอกว่าป้าป้าป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนจบพูดแค่นี้แล้วแกอยู่ได้แค่12วันแกก็ตายใช่ไ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 หลักเทียบสมพนั้นตรงนี้เรื่องของการการการอยู่กับปัจจุบันหรือว่าการที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันทันดัวนนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนเอ่อครานี้เนี่ยเรื่องของเรื่องของอปฏิกิริยาของของคนไข้เนี่ยจะมาคิดว่าเอ่อที่เราทำมาเมื่อกี้นี่มันก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่ามีปฏิกิริยาหลายแบบนะ ซึ่งอาตมาคิดว่าบางทีปัญหาเนี่ยจริงๆเนี่ยของคนไข้เนี่ยเขาอาจจะไม่อยู่ที่เรื่องเงินก็ได้อย่างกรณีของอุ๋มเนี่ยซึ่งคือที่ที่คุณยิงบอกว่าหัวคิดพูดตามแต่เรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยบางทีมันอาจจะมากกว่านั้นตรงที่ว่าเงินเนี่ยมันหมายถึงการทําให้ธุรกิจหรือโรงงานเขาอยู่ได้หรืออยู่รอดไอ้บางทีความสําคัญหรือคุณค่าของเขาเนี่ยอยู่ที่โรงงานก็ได้ คือเขาอาจจะทั้งชีวิตนี่เขาทำมาเขาเลี้ยงลูกมาเนี่ยจนทั้งได้โรงงานมันคือมันคือเขาไม่ชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่ต้องการเห็นโรงงานล้ ม, ลมพอันนั้นแสดงว่าชีวิตเขาเฟลใช่ไหมสักเซหรือเฟลเขาเนี่ยมันผูกติดกับโรงงานเพราะนั้นเงินถึงสาคัญใช่ไคราวนี้เนี่ยอันนี้คืออุปทานนะซึ่งเราต้องจับให้ได้นะแน่นอนเงินสำคัญแต่ว่าเงินเนี่ยมันเป็นแค่แค่ตัวรองอนะ ซึ่งก็จะไปโยงกับคุณคุณคุณหน่อยตรงที่ว่าไอ้ดีนายเอาเนี่ยดีนเพราะอะไรนะแต่ตมาคิดว่าที่ตั้งใจทำอย่างคือว่าที่ที่คิดว่าอยู่เงียบเงียบเนี่ยฟังให้ให้เขาได้พูดให้เขาได้ระบายเนี่ยตมาคิดว่าเป็นวิธีที่ดีแต่ว่าเมื่อเขาหยุดแล้วเนี่ยบางทีอาจต้องต้อ ง, ต, องต้องถามต่อไปว่าหรือต้องต้องต้องลองเข้าไปดูว่า ไอ้ที่ปฏิเสธปฏิเสธไม่ยอยากรับความไม่ยอกรับความตายเนี่ยเป็นไม่ยอกรับความเจ็บปวยให้เป็นพ่ออะไรอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่ากลัวตายอย่างเดียวอาจจะเป็นพ่ออย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นแบบเพราะว่าเขาไม่ต้องเขาลูส้สวยชีวิตเขาวเฟ ล, ลมาเขาไม่ต้องการชีวิตเขาเฟ ล, ลเพราะเนี่ยคือสิ่งไอ้โรงงานเนี่ยคือทั้งหมดของเข้าของชีวิตเขาซึ่งเขาอยากจะถ่ายทอดให้ลูกเนี่ยได้รับตรงนี้ด้วยหรือลึกๆเขาอา จ, จะไม่เชื่อมั่นลูกนะเขาจะมีเขาจะมีปัญหาความความ ปัาหาความสมัญกับลูกซึ่งเราเขาคิดว่าลูกนี้ไม่ยังไงก็ไม่สามารถจะรับทอดโรงงานนี้ได้ซึ่งก็ทําทำให้เขาแย่เขาถึงถึงพยายามที่จะปฏิเสธอันนี้เราไม่ทราบนะแต่มาตรมาคิดว่าลองอาการอาการแบบ historical เนี่ยมันคงต้องมีอะไรมากกว่าความกลัวตายนะซึ่งเราก็ต้องต้อง explore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 เขามีปัญหาความสมัยกับลูกใหม่เขาอาจจะไม่ใช่แค่ความกังวลความห่วงลูกแต่จะมีความไม่เชื่อมั่นลูกทําไมถึงไม่เชื่อมั่นลูกใช่ไหมหรือว่าเขามีความรู้สึกผูกติดอะไร ก, กับบางอย่างหรือเปล่ามีคนไข้คนหนึ่งแกแกบวยวายวีนหมอตั้งแต่มาหาหมอแล้วโวยมารอหมอตั้งยี่สิบนาทีแนละ้วไม่มีใครเนะี่ไม่มีใครมาดูแลเลยนะตั้งแต่แรกชกักแรกก็โวยแล้ว แ, แล้วแกเป็นแกเป็นมะเร็งไงแล้วก็หมอตรวจพบเชื้อเชื้อก็มาก็มาหาหมอนะวีนตั้งแต่นาทีแรกที่เจอหมอนะแล้วก็พอพูดถึงโรคแกก็จะบอกแกจะบอกว่าทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้จะเอาจะเอาแกเป็นมะเร็งแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องอเรื่องคเโมคราวนี้จะใช้ยาโน่นก็ไม่ได้ใช้ยา น, นี้แกก็โบนอยู่นั่นแหละนะนะคือแกวีนตลอดนะหมอแกก็เจ๋งนะหมอก็เออ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 ฉันรู้สึกว่าทํางานหลายอย่างก็จริงแต่มันรู้สว่มันไม่สําเร็จสักอย่างเลยชีวิตฉันชีวิตฉัน f a i อ่ะนะแก่อายุห้สกว่าชีวิตฉัน fail ะาฉันทำงานต้งหลายอย่างเฟ i ยังไงอ่ะฉันก็ไม่มีครอบครัวฉันไม่มีสามีฉันไม่มีลูกฉันแล้วมาเจอไอ้โรคนี้อีกคือเนี่ยคือความรู้สึกว่าที่เขาวีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะตัวโรคอย่างเดียวแต่เพราะลึกๆเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเฟ i l นะฮะมันก็เลย แต่ว่าเขารู้สึกดีขึ้นเมื่อมีหมอเป็นเพื่อนหมอหมอเขาเขาบอกเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่รักษากายแต่ก็ต้องต้องแคร์จิตใจด้วยแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเมื่อหมอฟังและหมอใส่ใจเรื่องจิตใจเขาคื อ, อตระมาคิดว่าเนี่ยปฏิกิริย์ขงคนที่มันเรียกว่าปฏิกิรย์ขงคนที่อาจจะปฏิเสธหรืออะไรที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมหน่อยเนี่ยบางทีมันจะมีอะไร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 แล้วเราถ้าเรานอนใจอยู่ในความไม่รู้เนี่ยเราก็สัญชาตญาณของเราเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยต้องสังเกตต้องดูใส่ใจแล้วมันก็จะออกมาใช่ไหมฮะเราจใจเราใจเราจะอยู่เขาจริงๆเพราะเราไม่รู้เนี่ยแต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยหรือเราวางหรือเราเรามีอเจนด้าอยู่แล้วเนี่ยใจเราก็จะคิดว่าเอ๊จะตะล่อมให้เข้ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงจะตะล่อมอยังไงจะพูดยังไงเราอยู่กับความคิดแล้วเราไม่ได้อยู่กับเขาใช่ไหมฮะแล้วคุณค่าสิ่งที่เขาต้องการคือคนที่ มาอยู่กับเขาใจอยู่กับเขานะฮะใช่ว่าหลักการเดียวที่เราเราฝึกกันเมื่อคืนอยู่ในการที่ว่าฟังแบบที่เข้าถึงเขามไม่ใช่อเอาเจตดาเราเอยมาใส่เขาก่อนแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคนคือคนคนที่รู้สึกว่าไปแบบแบบว่าไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใหม่ๆเนี่ยคงต้องมีอะไรอยู่ในมือบ้างให้พอให้มั่นใจใช่ไหม นายลบทันเอออย่างนายต้องมีมีมีอะไรอยู่เมือว่าว่าจะทําอะไรต่อนะฮะว่าจะทําอะไรต้องมีอะไรอยู่ในมือบ้างอันนี้โอเคแต่ว่าเอ่อถ้าเราสิดว่าเราถ้าเราสิดว่าเราเรามั่นใจแล้วเนี่ยถ้าเราคิกว่าเราเราอยากจะช่วยเพื่อนจริงบางทีต้องไปแบบแบบนี้เลยคือเปิดใจแบบไม่รู้จริงๆริสิ่งหนที่จะเจอบ่อยเมื่กรณีอย่างกรณีคู่พี่อุ่นกับภระเรีนี่คือว่าพอพอเอ็กซ์พเจอแล้วว่าผมเรื่องเงินเนี่เราคน ไ ป, ไปเยี่ยมเนี่ยบางท้งเราจะรู้สึกอึดอัดว่าบางทีมันสปอร์ตเรื่องเงินไม่ได้หรือสปอร์ตบางอย่างไม่ได้เนี่ยแต่เรารู้ละเนี่ยอาจารย์ตรงนี้มันจะเป็นความลำบากใจผู้เข้าไปเยี่ยมเนี่ยหลักการเคลื่อนที่ทำให้มันไปได้ก็เสริมความมั่นใจคืออย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่องเรื่องคือเมื่อวานนี้เนี่ยคนคนบางคนเนี่ยเขาก็ก็ถามว่าฉันควรทาอย่างนี้ดีไหมฉันคุณทําอย่างนี้ดีไหมเนี่ย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 บางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องยืมเงินก็ได้ mm hmm. เหมือนกับที่ยกตัวอย่างเรื่องแม่ที่ที่เป็นห่วงลูกแล้วก็ไม่แล้วก็หมอให้บอกให้หมอเนี่ยทำทุกอย่างเพือ่อให้ตัวเองไม่ตายเนี่ยเพราะเป็นห่วงลูกสองคนสิ่งที่พยาบาลทำก็คือ r e s s u r e คือเสริมความมั่นใจเ้าว่าไอ้ hey, ลูกคุณเนี่ยยังไงเนี่ยลูกคุณไปรอดนะและคุณเองเนี่ยทำความดีมาตลอดคุณก็จะจะผ่านเหตุการณ์นี้ได้ บางทีอาจจะบางทีเราช่วยเขาให้เขาเห็นศักยภาพเขาเองด้วยการเวียดเชียวในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยนี่โอเคเริ่มมั่นใจรูปแต่ก็ยังยืนยันว่าจะต้องยื้นตังค์เนี่ยในขณะที่ผู้ไปเยี่ยมเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะแต่ช่วยได้เนี่ยเราจะพูดไงให้เขาสบายใจขึ้นแต่ว่าก็ไม่เป็นการลงทับผู้ไปเยี่ยมก็คือก็ต้องสาให้ได้ว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขากลัวเขาจะเฟลไหม เราก็ต้องให้คำให้เขาสูว่าเขาไม่เฟลนะชีวิตเขาก็ไม่เฟลใช่ไหมชีวิตคุณคุณคุณเลี้ยงลูกมาตลอดคุณเลี้ยงลูกมาดีนะแล้วคุณทำกิจการนะกิจาการคุณเจริญมั่นคงนะและ้วจริงๆแล้วชีวอตคนเราเนี่ยมันก็คงไม่ได้อยู่ที่เอาความสวยไปผูกติไว้กับกิจการอย่างเดียวนะถ้าเราไปถึงขั้นนั้นก็ได้ก็ยิ่งดีนะแต่ว่าทําให้เขาสูว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเขาจะไม่ตายด้วยความความล้มเหลวหรือเป็นคนล้มเหลว เออกคอ็คือไม่แน่คือไม่ทราบด้วว่าการที่หมอเนี่ยเข้าไปบอกข่าวปปร้ายแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีผลต่อคนไข้อย่างไรนะ อ, อ่แล้วถ้าเกิดว่าคนไข้เ็าเกิดความกลัวเกิดความวิต ก, กมากขึ้นเนี่ยก็อยากจะฟังนะว่าเพื่อนเนี่ยแฮนเดลิลกับอารมณ์ที่ที่ทีุ่ดลง จากการบอกข่าวร้ายของพ่อยังไงเพราะที่ฟังดูส่วนใหญ่ก็ยังก็ยังก็ยังอยู่กับเรื่องธุรกิจใช่ยังอยู่เรื่องธุรกิจดูเหมือนว่าการบอกข่าวร้ายเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์ของคนไข้ไม่มากเท่าไหร่ ใช่แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเพื่อนเพื่อนเท่าที่ดูเพื่อนเนี่ยเท่าที่เพื่อนหลายเท่าที่เล่ามาเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ชัดว่าเขาแฮนเดิลกับอารมณ์ของคนไข้อย่างไรเมื่อได้ฟังข่าวร้ายเพราะว่าก็ยังคุยเรื่องเงินต่อใช่ไหม อืแต่ยงโจทย์จริงๆต้องารแบบนั้นก็คือให้มันเกิดอะไรที่ไม่คาดฝัน เนี่ยเชื่อตามหมอเลยว่าเขาเขาพบอ่ไอชิ้นเนื้อนี่แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเป็ น, นอะไรคราวนี้เออสำหรับการเป็นเพื่อนตรงเนี้ยนะคะคือเขาก็เขาก็ตกอกตกใจแต่เขาก็โยงไปเอีอนะคะว่าถ้าเขาอยู่โรงพยาบาล น, นานอะไรเนี่ยเขาเขาจะใช้นี่ไม่ได้อะไรเนียนะะเพราะฉะนั้นในฐานะเพื่อนเนี่ยหนึ่งตัวเองมีความนี่นี่คือ ความสงสัยว่าว่าเราจะทำไงต่อเนี่ยก็คือว่าเราไม่อยากจะไปรียกชัวร์เขาว่าเขาไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าเขาคงจะเป็นไรเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเอาชนาไม่เดี๋ยวก็เราก็ทําตามหมอว่าอะไราะว่าไปคนนี้ในในเรื่องของลูกเนี่ยก็ก็ทราบเหมือนกันว่านี่เป็นปัจจัยปัญหานะฮะทีนี้ปัญหาของ ผู้เป็นเพื่อนเนี่ยคืออะไรคือตัวเองเนี่ยก็อาสมไปเลยว่า เ, ออเรารู้จักเด็กดีนะจริงๆเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กอายุ20สมัยนื้อมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะมันเก่งะนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไอ้ประเด็นเนี่ยเขาเขาคงโอเคนะฮะอันนี้ได้พูดไปอันนี้อันเนี้ยมันตั้งคําถามเหมือนกันว่าแล้วถ้าบังเอิญลูกเขามันไม่ดีล่ะนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะชัวร์อะไรที่มันไม่ควาจริงก็เลย ถามว่าเอ๊ะโจทย์เนี่ยมันยังหลวมอยู่นะนะะเขาก็คิดไป A. เรื่องลูกใช่ไหมคะเรืร่องควรเรียกชัวร์เขาในกรณีที่โรคมันเป็นจริงเหรอนะะถ้าจะจ ะ, จะสอนเราอย่างไรเราจะได้ทำได้ถูกน ะ, ะคะเพื่อต่อมาก็ไม่มีคำตอบน ะ, น ะ, ะแต่ว่าแต่ว่าคืออยากอยากจะให้เราได้ฝึกว่าในขณะที่เรา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 เพราะว่ามการการผ่าตัดมันจะใช้เวลานานแล้วก็อาจจะทําให้อาจจะหนักยิ่งกว่าโรคโรคหัวใจใช่ไหมอาจจะถึงตายเลยก็ได้ตรงนี้ก็ประเด็นเรื่องเงินค่ะมันเลกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเงินใช่ซึ่งมันก็ทําให้ต้องคิดต่อไปว่าทําไมก็ยัง s t a เรื่องเงินอยู่ใช่ไหมเงินมันสาคัญยังไงในเมื่ออมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าพที่เพียงแค่ว่าให้โรงงานอยู่ได้ให้มีให้บ้านอยู่ได้ บเอ๋ของเราไม่ได้พูดเรื่องบ้านเลยก็ <g ül> เลยไม่ทราบว่าไปไนนะอยู่ด้วยญาตนิดนึงพอดีคุยกับคุณหมอประเวศคุณหมอประเวศบอกตอนนี้มีเรื่องหมอนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเฉยๆไม่เกี่ยวกับเคสเหมอประเวศบอกว่าที่อเมริกามีการทำสำรวจคนเนี่ยตายเพราะเป็นโรคไปโรงพยาบาล ก็คือไปถึงหมอก็จะบอกตึงๆๆแล้วก็ตายแล้วก็มีกรณีที่ที่สี่ราดแต่ว่าจำโรคไม่ได้แต่โรคอะไรที่ง่ายๆเนี่ยหมอก็บอกคนไข้แล้วก็ไปตรวจคนอื่นคนไข้ไม่รู้จำไม่ได้พยายามนึกมา ก, กว่าโรคอะไรแต่โรคง่ายๆซึ่งไม่มีทางตายปรากฏว่าคนไข้นี่คิดมากแล้วก็กังวลสุดท้ายคนไข้ตายโดยไม่ควรจะตายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเป็นข้อมูล บอกที่อเมริกานี่เยอะหมายถึงอันดับหนึ่งี่คือเป็นโรคไปโรงพยาบาลอาจจะช็อกพอบิลด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะบิวแฟงอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหมอประเวศบอกพอดีวันนั้นคุยกันเรื่องการเรื่องเพราะว่าไปคุยที่มูลนิธิอาสุขชุมชนแล้วคุณหมอก็คือเราพยายามคำคำว่าสุขภาวะคือทุกอย่างใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเรื่องร่างกายอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็คุยกันเลยคุยยาวมาถึงเรื่องนี้เรื่องว่าคนตายเพราะไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่หันึนานแล้วนั้นที่สิริราช คนไข้คนนึงรักษายังไงก็ไม่หายแล้วเหมือนกันที่ที่ท่านอาจารย์ว่าก็คือว่าหมอปกติจะไม่คุยกับคนในฐานะคนมาถึงก็รักษาโรคไม่สนใจแล้วหมอประเวศเลยไปถามว่ายังไงอะ่ะคุยไปคุยมารู้ว่าคนไข้ในอยากกลับบ้านหมอประเวศก็เลยเซ็นให้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วก็ก็หายที่เขาป่วยอยู่เพราะก็ต้องอยู่โรงพยาบาลเขเป็นกังวลเรื่องที่บ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าหมอส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไม่ใช่ว่าหมอไม่ดีแต่ว่าหมอไม่มีเวลาคุยคนไข้ ในฐานะคนคือเมื่อกี้ประเด็นที่พระสีถามพระอาจารย์เนี่ยทำให้นึกถึง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 คือคนไข้ก็มีหลายแบบซึ่งอาตมาคิดว่าที่ทำเมื่อกี้เนี่ยก็ดีเพราะมันมีความหลากหลายใช่ไหมก็ได้เห็นได้เห็นปฏิกิริยาต่างๆคนไข้แต่กอ็อย่างที่อย่างที่อาตมาได้ยกหลายกรณีเนี่ยคือปัญหามั น, ม, น, ม, กก น, น, น ม, มันมากกว่าสิ่งที่เราเห็นบนพื้นผิวใช่ไหมมันมากกว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาด้วยวาจาบางทีเขาไม่รู้ด้วยว่า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 ก็บายวันนี้ก็คงประมาณเท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรื่องที่พวกเราบางอันอาจจะติดค้างเนี่ยมันอาจจะยังมีบางมีบทเรียนอีกมากมายวันพรุ่งนี้ที่อาจจะได้กลับมาคุยกันอีกนะคะก็คงจะให้พวกเราเพักผ่อนตามเวลาศัยนะคะแล้วก็เราจะกลับเข้ามาตอนทุ่มตรงนะคะมาตั่งสมาธิภาวนาที่นี่นะคะแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์บอกไว้ตั้งแต่เช้าว่าก็เหมือนเดิมคือเราก็จะกลับมาอยู่กันเนื้อกลื ต, ตัวของเรานะคะจนกระทั่งนํามาร่วมกิจกรรมกันในช่วงหกข้ามค่ะขอบคุณมากๆค่ะ แล้วก็สลัดบทบาททิ้งนะคะคุณหมอเพื่อนคนไข้ทั้งหลายนะคะ